แสดงว่าเมตตาเริ่มมีผลต่อไปคิดถึงพวกกลุ่มสัตว์ไม่ไจ้ฉานคิดถึงเปรตอสุรก า, ายสัตว์นรกเป็นต้นเนี่ยพวกเทวดาเป็นต้นเหล่านี้ใจก็มีความรักความปรารถนาดีความเ อ, อ, ม อ, มอื้อทอนเสมอเสมอแบบอันนี้เริ่มได้ผลแล้วฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยมันมันวัดผลได้แต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็ตรวจสอบตัวเองได้ไปแต่ละครั้งว่าใจเรานั้นสามารถที่จะเป็นไปกับเมตตาได้แค่ไหนอย่างไรก็โดูยอย่างนั้น ทีนี้ในลักษณะของเมตตานี่นะมีความระงับเป็นไปแห่งพยาบาทจึงสมบัติของเมตตานะถ้าถามว่าสมบัติคุณสมบัติหรือคุณเครื่องเลยนะต้องระงับพยาบาทได้พยาบาทต้องไม่เกิดไม่ใช่ว่าถ้าเจริญเมตตาแล้วยิ่งหมดหนิดอันนี้ใช่ไม่ได้แม้แต่ผู้บรรยายเองเนี่ยนะถ้ากลายเป็นคนที่งดหนดเป็นคนพยาบาทอันนี้ผู้บรรยายก็ขาดเมตตาเลย อันนี้จะใช้ใไป่ด้อันนี้ดูไมยากไงไม่ใจว่าโอ้โห و, พยายามจะแน่วนําให้ือนคนอื่นมีเมตตาแต่ตอนนี้เ น, นี่ยโทรศัเกิดง่ายมากเพราะว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้อันนี้เสียแล้วมีเสียมีเริ่มจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเนี่ยเดีย๋ยวตอไปจะได้ตั้งใจในการกระทําแล้วก็จะพยายามอธิบายตามตรงไปปัญหาก็คือว่าอะไรแหละเป็นความเสียหายของเมตตา เมตตากับตัณหาเนี่ยมันใกล้คิดกันมาไอ้ตัณหามีความใกล้คิดราคะโลภะเนี่ยใกล้คิดกับเมตตาเพราะเขามีสภาวะใกล้เลยถ้าเจริญเมตตาไปเจริญเมตตาไปก็เกิดความรักแบบตัณหาขึ้นมาปุบเมตตาหายเกลี้ยงเลยเข้าใจไหมสมมุติว่าเทศตรงกันข้ามแล้วก็มันเป็นอันตรายมันร่อแหลมเอาเราไปแผลเมตตาให้ใหม่ๆที่ใจยังฝึกไม่ดีเนี่ยนะ ใหม่ๆมันลักแหวมเนตาพอคิดถึงไปคิดถึงไปราคะตามมาอันี้เป็นความเสียหายไอตัวเสน่หา ต, ตัวตัวันหาเนี่ยมันเป็นตัวกัดกรนหรือทําลายเมืตามังห์หิเนี่ยว่าต้องระวังต้องระวังแล้สภาพของเมืตามันจะเสียหายเพราะตันหานีไปนี้อะไรอะไรคือเมืตา อะไรเป็นปฏิบัฐานอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นลสอะไรเป็นปัจฐานของเมตตาอะไรคือเมตตาย้อนหน่อยก็คือว่ามารดาบิดามองดูบุตรน้อยคนเดียวของตนก็ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นกับุตรน้อยนี้อยู่ชั้นใดผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่จะอบรมเมตตา ทำจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์เมตตานั้นบัณฑิตพึงรู้ว่าอย่างนี้นึกถึงคนที่มีลูกคนเดียวแล้วก็มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อบุตรเนี่ยนะอา้าวถ้าเราไม่มีบุตรล่ะเราจะรู้ไหมว่าไอ้คนที่เขารักบุตรเนี่ยรักยังไงเพราะเราก็เคยเกิดมาเราก็ต้องรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องถ้าสมมุติว่าเรามีบุตรถ้าไม่มีบุตร ไม่าเรารักหลานไงนะทุกคเออเราเรารักเราปรารถนาดีนี่เราเรานึกอย่างนั้นไอ้ความที่เรามีความรักบุตรของตนเองปรารถนาดีบุตรกับบุตรตนเองอย่างไรก็ไปนึกถึงกับคนอื่นแล้วเรามีรักรักคนอื่นเหมือนรักบุตรไหมเออต่างลึบโลกเลยเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นใช่ไหมนีม่เมตตาไม่ออกนี่เมตตามันกำกัดวงแล้วทําความรักเหมือนรักบุตรนั่นแหละเป็นไปกับสัตว์อื่น เป็นไปกับบุคคลอื่นทําได้ไหมทาแบบนั้นนะได้ไได้ไม่ได้ถ้าทําไม่ได้จเจริญเมตตาไม่ได้ถ้าจเจริญเมตตาไม่ได้กรรมฐานอื่นพับไว้ก่อนอันนี้พื้นฐานาประพัฒกากรรมฐานที่เป็นเมตตานั้นเอาไม่อยู่เมตกรรมฐานอื่นก็เริ่มมีปนะัญหาทีนี้ท่านจึงสอนเนะี่ยคนที่จะอบรมหรือเจริญเมตตานั้นให้รักตนเอนที่เป็น ที่บอกว่าอาหางสุขีตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเลยนะอาหารอเวโรโหมิขอขาาาให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหารอพยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิตทิฏฐิบาตอาฆาตปองร้ายเดียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหารอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความรู้กายรู้ใจเลยอาหารสุขีอตานังปริหารามิ ขอให้พระพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปีอันนี้เขาเรียกลักตนแผ่เมตตาให้ตนอธิษฐานให้ตนเองนั้นประสบแต่ความสุขความวเปรี้งสมปรารถนาที่ตนเองตั้งใจให้พรตนเองอย่างนี้ท ำ, นนทำได้ไหมถ้าทําได้จนเกิดความจับจิตจับใจนี่นะลึกซึ้นตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ส่งเมตตานั้นให้กับบุคคลอีกเหมือนกับให้ตนเอง เขาจึงบอกความรักนม่เอาตนเองเป็นพยานวแล้วเวลาแผ่ให้กับบุคคลอื่นก็จะได้ชัดเจนตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นทำจิตประกอบไปด้วยเมื่อตาปราถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ฉะนั้นเมื่อตานั้นเนี่ยท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบัณฑิตทั้งหลายถึงรู้อย่างนี้ความสงบมิ่งแห่งจิตในการบาเพ็ญอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลปรากฏเราเรบอกว่า เมตามันมีผลตรงไหนถ้าเราแผ่เมตตาไปเนี่ยจิตไม่สงบไม่ดิง่งไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเนี้ยนะหรือในอารมณ์ที่เรากําลังมุ่งหวังไปนั้นอันนั้นบ่งบอกให้รู้ได้เลยว่าเมตตาไม่มีผลแต่ถ้าผลเมตตาเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนั้นน่ยจิตสงบดิง่งนิ่งอันนี้อรักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาเกิดเป็นผลแล้วมีสังเกต ด, ดูไม่ยากนะ การกระทำความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะของเมตตาทีนี้ความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตานเนี่ยเป็นรสของเมตตาความไม่พยาบาทเป็นประทัฐานของเมตตาเป็นต้นทีนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็เริ่มจะทําความเข้าใจให้ดีว่าปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นศัตรูหรือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเนี่ยนะที่เป็นอันตรายต่อเมตตา เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้บังเกิดขึ้นเมตตาเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายบุญเป็นธรรมฝ่ายขาวเป็นกุศลธรรม ท, ที่เป็นปฏิปักษ์กับเมตตานั้นเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นธรรมฝ่ายดำถ้าเจอว่าตอนนี้มีเมตตาแล้วอย่าให้มีทีน้ามิธาทําใจให้ล่าเลิศก็นวนั้นข่าศึดใกล้ของเมตตาได้แก่ราคะดังที่ได้กล่าว คือความกำหนัดความยินดีในกามคุณมีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่ที่เป็นคุณด้วยกันเหมือนศัตรูของบุรุษที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมให้โอกาสทำร้ายได้เร็วกว่าศัตรูที่อยู่ไกลเขาถามบอกว่านี้ทำไมไม่เป็นพยาบาทแนะที่เป็นศัตรูใกล้ใช่ไหมทำไมเป็นกายเป็นในราคะทำไมราคะจึงเป็นศัตรูใกล้ เพราะราคะเนี่ยอยู่ใกล้กับเมตตาเวลาสิ่งที่จะทําลายเมตตาได้เร็วกว่าเขาที่สุดก็คือราคะเกอนพยาบาทหรือโทตาเนี่ยเขาอยู่ไกลอยู่คนละทิศอยู่คนละประเภทแต่เวลาเมตตาในความรักเนี่ยเออมันรักเหมือนกันนะราคะก็รักเมตตาก็รักใช่ไหมรักแบบเมตตาเนี่เป็นความรักแบบประเภทที่ยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่ได้อย่างที่ตัวเองยึดมั่นหรือมั่นก็ไว้ก็เร่าร้อนแต่รักแบบเมตตาเนี่ยมันรักแบบปล่อยวางรักแบบเบารักแบบเย็นรักแบบสบายมันต่างกันใช่ไหมทีนี้พอมันอยู่ใกล้ๆกันขึ้นมาเนี่ยมันจะคอยกระแทะและทําลายเมตตาเนี่ให้พังทีแน่นี่เป็นอย่างนี้นะถ้ารักในะของความรักนี่นะความรักเป็นปัญหาเนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยไอ้พวกวัตถุกรรมเนี่ย รูปที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเห็นได้ด้วยจักษุเสียงที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดซึ่งฟังก็ได้เกิดโสตะกลิ่นที่น่าปรารถนาน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแหง er ha, ā, ai, ha, ay, ่งความกำหนัดรู้ได้โดยทางจมูกรสที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจรู้ได้โดยทางลิ้นโอทภาที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรู้ได้ด้วยทางกาย เะนั้นกิเลสคือราคาที่เรียกว่าราคานิสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่อยู่ประจําซึ่งนอนฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของจิตใจของโลกีสัตว์ทุกๆจำพวกเว้นแต่พาาระอรหันต์เพะนั้นกิเลสดังนี้จึงมีอยู่แก่ทุกคนเมื่อกิเลสประเภทเนี้ยมีอยู่กับทุกๆคนแล้วเนี่ยจึงจึงต้องคอยระมัดระวงังไอ้ตัวนี้วัตถุกรรมจนกิเลสกามก็คือว่าความพอใจรากเง่า ความพอใจความกำหนับเป็นต้นเหล่านีน้ความที่เข้าไปยินดีทั้งหลายเหล่านี้ตรงนี้เราก็ต้องพยายามป้องกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าสึกใกล้ของเมตตาส่วนค่าสึกไกลของเมตตาได้เกิดพยาบาทพยาบาทก็หมายถึงความขัดเคืองใจคิศไายพยาบาทความรู้สึกปองร้ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสภาวะของของพยาบาท นี้ประการต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะให้พวกเราทั้งหลายก็จะเริ่มเริ่มฝึกกันนะนี่เราพอจะรู้ว่าลักษณะหรือสภาวะของของเมตานะนะั้นมันเป็นยังไงทีนี้ต่อไปก็คือจะแนะนำในเรื่องของการกำหนดด้วยการเจริญเมตตาก็นี้เรานั่งกันอยู่ในที่ตรงนี้แล้วก็นั่งเก้าอี้ ใครนั่งกับพื้นก็นั่งกับพื้ น, เ อ, นนะเอาท่าที่ถนัดที่สุดใช่นะเอาท่าที่ถนัดที่สุดตัวลักษาหนังการนั่งก็คือว่านั่งให้กายตรงท่านบอกว่าท่านั่งเนี่ยคือกายท่อนบนให้ตรงแต่ท่านไม่เน้นในเรื่องการให้พิงพนักพิงถ้าเราพิงเนี่ยมันมันเป็นท่าที่ไม่ค่อยมั่นคงได้จะ น, นั่งได้ไม่ค่อยนานท่าที่นั่งได้นานเนี่ย เขาเรียกว่าต้องตั้งกายให้ตรงในปรกรณ์วิเศษในวิสุทธิมรรคเขาก็จะบอกวิธีการนั่งการนั่งให้ตรงก็คือว่าบางคนก็นั่งเพราะเทียบบางคนก็นั่งคู่ขาทั้งสองเข้ามาเนี่ยนะกระดูกกระหลัง18ข้อให้เหยียดตรงไม่งอลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่านั่งแล้วฐานล่างมันดีพราฐานล่างดีเนี่ยเขาเรียกว่าท่านั่งนั้นมันชัดเจน ท้านั่งที่ดีเนี่ยมันได้เปียกไปเยอะจะเป็นถ้านั่งที่นั่งได้นานแล้วก็สมาธิก็จะเกิดเรเลยบางคนบอกว่าการเจริญกรรมาฐานม่จาเป็นต้องมีท่าคนคนนี้ไม่เข้าใจการกระทำทุกอย่างต้องมีท่ามีทางทั้งนั้นแม้แต่การอบรมหรือการเจริญกรรมาฐานเฉพาะเจริญสมาธิในด้านของฝึกเจริญเมตตาเพี้นก็จะต้องตั้งท่าดี เ, เหมือนนักกีฬาทั้งหลายเวลาจะต่อสู้คูต่ต่อสู้ก็ต้องมีท่าอย่างนั้นอย่างผู้ปฏิบัติหรือโยคีนักปฏิบัติทั้งหลายเวลาจะต่อสู้กับกิเลสก็ต้องตั้งท่าเพราะฉะนั้นาการตั้งท่าเนี่ยก็เหมือนว่าเ อ, อเราจะจะปาลบเพื่อจะทําเมตตาให้เกิดขึ้นพอหลังจากทําท่าทางให้ดีเดด็สร็จแล้วก็คือว่าน้อนจิตก็เบื้องต้นนี่นะ นอมจิตและเลิกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านืออิติปิโสพระกวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นก็คือว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือจะนาโมตัสสะก็ได้พระกวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทโธขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจกักกิเลสแต่จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นทํ า, าทไมต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนหมายถึงการขึ้นครู ว่าที่เราจัเจริญหรือมานาสิการกรรมฐานนี่ก็เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เด็ดเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าข้าพเจ้าจักเจริญเมตตากรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานหนึ่งที่พระบรมศาสดาทรงปากไว้เมตตากรรมฐานเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐ เราทั้งหลายจะทำอริยทรัพย์กล่าคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตเมื่อจะทำอริยทรัพย์กล่าคือเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสจิตก็ต้องชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดปราศจากทีเหลือเครื่องเต้าหมองเครื่องเร่าร้อนจะทำความยุ่งยากใจทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าปริโทษออกไปจากใจให้หมดไม่ว่าจะเป็นความกังวลในที่อยู่ ความกังวลในอาหารการบริโภคความกังวลในเสื้อผ้าความกังวลในการงานต่างๆเหลนะ่านั้นตัดทิ้งให้หมดเลยตัดปริภูดเครื่องกังวลใหญ่ๆต่างๆเหล่านั้นออกไปจากกระแสจิตเสียว่าเราตอนนี้จับมนติการกรรมฐานของพระมีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นของสูงเป็นของใหญ่เป็นของละเอียดเป็นของที่มีคุณค่าเพราะนั้นเมื่อมนติการหรือตั้งกระแสจิตไว้ได้อย่างนี้เด็ดเสร็จแล้วก็คือ ก็น้อมจิตละลึกถึงตนเองทำเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอร์ทีเกิดขึ้นในใจเรื่องแรกจริงๆเนี่ยนะท่านให้พิจารณาเห็นโทษของโทสะและให้พิจารณาเห็นอานิสงส์ของเมตตาทำไมจึงพิจารณาเห็นโทษของโทสะทำไมจึงต้องพิจารณาเห็นอานิสงส์ของเมตตาเพราะว่าโทสะ เป็นคุณเครื่องที่ทำให้จิตนั้นเล่าร้อนโทสะนี่เนี่ยเป็นคุณเครื่องที่ทำให้จิตนั้นเล่าร้อนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วแล้วเราล่า แ, แล้วเนี่ยเนยก็จัระงับโทสะนั้นไนดะ้ลักษณะที่บอกว่าเห็นโทษของโทสะแล้วก็เห็นคุณของขันติอะไรคือความหมายในเบื้องต้นการนึกถึงโทษของความโกรธและความขัดเคืองใจ ถ้าบุคคลโกรธหรือขัดเคืองใจขึ้นมาเนื้อตาจิตความคิดที่ประกอบไปได้วยเนื้อตาของเขาก็จะถูกเผาผลาญอย่างสิ้เนเชิงและจิตของเขาก็จะไม่บริสุทธิ์ก็ให้พิจารณาดูบอกว่าโธ่ะเหมือนไฟเนื้อตาเหมือนน้ำถ้าโธสะเกิดขึ้นเผาแห้งหมดเลย น้ำน้อยๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟนั้นได้ทีนี้ถ้าจิตประกอบไปได้วยโทสะใจของเขาก็จะไม่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์ถ้าเขาดูทิศ ต, ตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เป็นต้นเขามองไปนะทิศใดๆก็จะมองด้วยจิตที่ขุนเคืองขัดเคืองเลือด ก, ก็จะถูกจิตต่อจากนั้นก็จะเป็นเหตุแหงความดุดันเกิดขึ้น ความเสื่อมถอยก็จะเกิดขึ้นคุณธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นก็จะเหงือดแห้งและจะหายไปฉะนั้นให้เห็นโทษของโทสะอย่างนี้มันบอกว่าให้คนเอาเรื่อยมาตับเราให้ขาดเป็นสองท่อนสามท่อนอยังดีกว่าถ้าใจเรามีโทสะไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอุปมาทีนี้ให้เห็นคุณของขันติ บอพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นก็เพราะว่าได้อบรมหรือเจริญขันติเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นโทษของโทตะาเห็นคุณของคันติโดยประการต่างๆอย่างนี้แล้วก็นั่งหลับตาพอหลับตาเบ็เสร็จก็มาระลึกถึงตนเองพอตามาระลึกถึงตนเองเบื้องต้นเนี่ยก็ถามตนเองในใจว่า สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการในขณะนี้มีนะไม่ว่าความหวังความปรารถนาหรือความต้องการเหล่านั้นจะเป็นในด้านของจริยธรรมคุณธรรมหรือความหวังความปรารถนาความต้องการอนั้นอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือความปรารถนาความหวังหรือความต้องการนั้นอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือความอยู่ดีมีสุข ความปรารถนาหรือความหวังที่เกิดขึ้นในใจของเราในขณะนี้ที่เราต้องการนั้นเนี่ยให้เราคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการหรือที่เราหวังจริงๆเมื่อเรารู้จักใจของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ให้พรตัวเราเองว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอยู่ในขณะ น, นี้ขอให้ สำเร็จแก่ข้าพระเจ้าโดยเร็วขอให้สำเร็จแกศข้าพระเจ้าโดยสะดวกขอให้สำเร็จแกศข้าพระเจ้าโดยง่ายขอให้เกิดขึ้นแก่ ข, ข้าพระเจ้าโดยสิ่งที่ข้าพระเจ้ามุ่งหวังหรือปรารถนาซึ่งเป็นความดีความงามนั้นขออย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางข้าพเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ที่เราตั้งจิตปราถนาอะไรต่างๆแบบนั้นเขาว่าเมื่อเราตั้งกระแสจิตไปในตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทากระแสจิตกล่าวคือความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการที่จะทาจิตให้ตั้งมั่นเกิดขึ้นในขณะนี้ได้ก็จะต้องทํศรัทธาให้เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ เรากําลังเจริญเมีตาภาวนาคือการเจริญความรักความปรารถนาดีและความรักความปรารถนาดีในขณะนี้เรากําลังพพ่งสมาธิมาที่ตนเองเรามีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนี่ยทำให้สัตว์ผู้ปฏิบัตินั้นพ้นจากวัฏฏะพ้นจากกองทุกข์ได้จริงตอนนี้เราปรารถนาความสุข แล้วปราถนาความไม่มีเวรความไม่มีภัยให้กับตนเองและเราก็รําตั้งจิตประกอบไปด้วยเมตาตาและในขณะเดียวกันก็คือมีศรัทธาตั้งมั่นในตนเองด้วยตั้งมั่นว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นจะเจริญได้เรามีความเชื่อมีความมั่นใจตนเองว่าคุณธรรมทั้งหลายคือเมตตาภาวนาเป็นต้นเหล่านั้น ไหลเข้ามาสู่กระแสจิตของเราอย่างมากมายอย่างท่วมทน้นเรามีความเชื่อบอกว่าเมตตาภาวนานั้นจะเกิดขึ้นกับเรานั้นอย่างต่อเ น, นื่องและมีความเชื่อมั่นอีกว่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเ น, นื่องและเราก็แผ่เมตตาไปให้กับตนเด่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเชื่ อ, อว่าความปรารถนาความประสงค์ความต้องการที่เราปรารถนานั้นน่ะ จะ ต, ต้องเกิดขึ้นกับเราโดยแน่นอนแลวเกิดขึ้นโดยเร็วและโดยง่ายด้วยเมื่อเรามีความเชื่อมีความต้องการมีความปรารถนามีความเชื่อมั่นมีความรักอย่างนี้เบส็จก็แผ่ความปรารถนาให้พรตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วแล้วเราเล่าเขาเรียกว่าพริตตวันก็แปลว่าทำเมตานั้นให้เกิดขึ้นให้ต่อเนื่อง แผ่เมตานั้นให้เป็นไปเหมือนกับกระแสน้าให้เหมือนกับกระแสไฟให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเมือม่อเมตตาขนาดนี้หมดลงก็ทำเมตตาขนาดใหม่ให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเหมือนกระแสของน้ำไหลไหลจากตกจากภูเขาตกจากหน้าผาน้ำนั้นไม่ขาดสายเนื้อันใด ข้าพเจ้าก็จะทำเมตตาจิตที่เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายเมื่อเมตตาขณะหนึ่งหมดไปก็ทำเมตตาในขณะใหม่เกิดขึ้นเมตตาในขณะหนึ่งดับไปก็ทำเมตตาในขณะใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็แผ่ให้กับตนเองให้กับอัตภาพตนเองเป็นอารมณ์อยู่แล้วแล้วเล่าทำความบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความตุก ปราาจากทุกมีใจเบิกบานเป็นต้นขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีสิจทิฏฐิาบาทอาฆาตฟองรา้ายเหยียดเบียนซึ่งใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิด คำว่าอัตตาภาวะในที่นั้นแปลว่าอัตภาพอัตภาพนั้นก็คือขันของเรานี่แหละคือรคประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันยิ่งาณขันา น, าข น, น้อมขันห้าของตนเองร่างกายและจิตใจของตนเองนั้นเน่ะให้เป็นไปโดยการพ้นจากภายัยพ้นจากเวรภัยทั้งหลายน้อมบอกว่าให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้พ้นจากพยันอันตรายทั้งหลาย ให้พ้นจากศัตรูทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกประสบแต่ความสุขและความเจริญอย่างต่อเนื่องแห่เนียตาให้กับตนเองแล้วแล้วเล่าเล่าถ้าตนเองปรารถนาหรือหวังสิ่งใด <c oughs> ก็ตั้งใจปรารถนาในสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อตั้งใจปรารถนาในสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเความปรารถนาของตอนเองที่เกิด ข, ขึ้นอย่างต่อนเนื่องนั้นก็ยังศรัทธาให้ตั้งมั่นขึ้น มีความเชื่อว่าคุณธรรมกล่าวคือเมตตาภาวนาเป็นต้นตลอดถึงกุศลธรรมทั้งหลายที่ขอรกักษาจากเมตตาภาวนานั้นจงไหลให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้าเมื่อไหลเกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้าจงเติมไปในอัตภาพของข้าพเจ้านี้อย่างต่อเนื่องและทำให้ความปรารถนาความต้องการ ของข้าพเจ้าที่เป็นไปในก บ, บุญกักุณล์เหล่านี้จงสำฤทธิผลโดยง่ายจงสำฤทธิผลโดยเร็วโดยสะดวกโดยฉับพลันอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมา ก, ามากีดขวางหรือมาขัดขวางน้อมนิสัลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมใจให้เป็นไปกับเมตตาเมื่อน้อมใจให้เป็นไปกับเมตตาในลักษณะอย่างนี้มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างนี้เดียดเสียนแล้วก็ใช้วิริยะประคับประคอง วิริยะประคับประคองทําให้เมื่อตานั้นเกิดขึ้นให้ต่อเนื่องคําว่าวิริยะนั้นก็แปลว่าความเพียรพยายามให้ติดต่อตัววิริยะนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีความกล้าหามีความเพียรมีความพยายามในการที่จะลุกออกจากความเหนื่อยคานลุกออกจากความถดถอยพอวิริยะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมองไปในสังสารวัฏมองไปในสังสารจักร เมื่อมองไปแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ต่างๆนานาพวกอาบ า, ย, บอสายสัตว์มีภพเปรตอสุรกายสเดรชานสัตว์ทะเเป็นต้นท่านเหล่านั้นเพรละความเพียรเวียนไปเป็นคนมากๆจึงกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายในชีวิตเมื่อล้มละลายก็คือประสบความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนเราทั้งหลายพยายามตั้งความเพียรไม่พยายามทําให้ความเพียร น, นั้นนะ่ะมันถอดถอยลงไป